ามสยามยุทธภาคที่สองว่าด้วยกองทัพกรุงสยามยกพระหนุนนิกายเป็นมหายุหิโยธาทัพใหญ่ไปกระทําศึกสงครามกับนักองจันรพระเจ้ากรุง ก, งกัมพูชาธิพบดีเขมรไม่ต่อสู้ไทยนักองจังนร์หนีไปพึ่งยวนกองทัพยวนยกมารบกับไทยไทยได้รบกับยวน และยวนได้กระทำมหายุทธนาการเป็นศึกสงครามกันมาช้านามประมาณถึงส4ปีเศษมีข้อความพิสดารวิจฐานในการศึกไทยยวนดังจะได้แสดงต่อไปนี้อานามสยามยุทธภาคที่สองตอนที่16ขมิก่อจลาจลแหวงกัดไทย เจ้าพระยาบดินเดชาหยุดทักบำรุงรีพลช้างหมาอยู่ที่เมืองเชิงกระชุมนั้นได้ทราบข่าวว่าขมิ้นคุมกันเป็นกบฏขึ้นทุกบ้านทุกเมืองเพราะเดิมขมิ้นเอาใจออกจากยวนมาพึ่งไทยขมิ้นหมายใจว่าไทยจะช่วยปราบปรามยวนให้สิ้นการเบียดเบียนข่มขู่ขมิ้นเพราะฉะนั้นขมิ้น จึงได้เข้ามาในกองทัพไทยไปช่วยรบยวนโดยสามารถบัดนีไทยก็ล่าทัพถอยหนียวนมายังเมืองขเมีนพวกขเมีนเห็นพร้อมกันว่าไทยสู้ยวนไม่ได้เป็นแน่ขเมีนจึงกลัวยวนจะยกกองทัพมาตีทัพไทยให้แตกไปจากเมืองขเมีนแล้วยวนก็จะได้มาครอบงำทาอำนาจให้เมืองขเมนอยู่ในใต้บังคับบัญชายวนอีกพวกขเมนก็จะต้องเป็นข้ายวน ยวนก็ต้องคมขีเขมินยิ่งกว่าก่อนเพราะขเขมรคิดดังนี้แล้วขเขมรทุกบ้านทุกเมืองจึงกลับใจไปพึ่งยวนอีกเหตุ ด, ดังนี้ขเขมินจึงได้คิดการเป็นกบฏขึ้นพร้อมกันเข้าล้อมจับนายทัพนายกองไทยที่ตั้งการรักษาเมืองต่างๆหลายเมืองนั้นฆ่าทั้งนายและไพร่าตายมากฝ่ายนายทัพนายกองไทยที่อยู่ตามหัวเมืองขเขมรต่างๆนั้นที่รู้ตัว ก็จัดการต่อสู้กับขเมศเป็นสามารถเพราะฉะนั้นหัวเมืองขมมศต่างๆจึงเกิดการรบราฆ่าฟันกันขึ้นหลายเมืองเหล่านั้นก็แต่งหนังสือบอกมาแจ้งข้อราชการต่างๆตามที่ขเมศกลับใจทำแก่ไทยดังที่กล่าวมานั้นเจ้าพระยาบดินเดชาทราบแล้วจึงแต่งหนังสือฉบับหนึ่งให้พระพิทักษ์พลขันผู้ช่วยราชการเมืองตากกับหลวงเสนีพิทักษ์ข้าหลวง ถือหนังสือบอกและคุมไพรพลห้าสิบคนไปถึงเมืองพนมเปนแจ้งราชการแก่นักองค์อิ่มนักองคด่วงขมิญและพระมหาอ ม, มาตยาราชสุรโยธาพระพรหมบริรักษ์หลวงราชาเสนาข้าหลวงทั้งสี่นายกับพระยาอภัยภูเบศขมิญข้าหลวงด้วยนายหนึ่งเป็นข้าหลวงห้านายอยู่กํากับนักองคด่วงนักองค์อิ่มที่เมืองพนมเปญ น, นั้นใจความว่ า, วา บัดนี้หัวเมืองขเมรเกิดการจราจนเป็นขบถขึ้นหลายบ้านหลายเมืองดังนั้นเห็นว่าไทยจะรักษาเมืองขเมรในคราวนี้ยากนักจำจะต้องคิดการปีต่อภายหน้าไปถึงจะรักษาเมืองขเมรได้บัดนี้ให้พระยาพระหลวงนายทัพนายกองข้าหลวงที่เมืองพนมเปญ น, นั้นจัดไพร่คล หรือกำแพงเมืองพนมเปญลงน้ำเสียให้สิ้นเชิงแล้วให้ทำลายล้างเมืองพนมเปให้เป็นดังป่าชาอย่าให้พวกขมกรญกบฏอาศัยเป็นกำลังต่อไปได้กับให้กวาดต้อนครอบครัวขมรและแขกจีนและคนชาติต่างๆที่อยู่ในเมืองพนมเปญ น, นั้นให้อพยพครอบครัวพนมเปญมาไว้ยังเมืองพระตะบองเถิด ครั้นข้าหลวงแจ้งหนังสือคำสั่งดังนั้นแล้วจึงเกณฑ์คนให้รื้อกำแพงเมืองพนมเปนทลายลงน้ำเสียสิน้นป้อมค่ายหอรบก็ทำลายล้างเสียหมดปืนใหญ่ที่พาไปไม่ได้นั้นก็นำตะปูอุดฉนวนกลิ้งทิ้งลงน้ำเสียทั้งสิน้นแต่ข้าวปลาอาหารในเมืองนอกเมืองก็นำโคต่างช้างบรรทุกไปมากเป็นโคต่างที่ได้มาแต่ยวนทั้งสองพันโคแต่อย่างนั้น ข้าวในยุ้งราษฎรยังหาหมดไม่จึงได้นําไฟเผายุงฉางข้าวรัษฎรเสียทั้งสิน้นแล้วกวาดต้อนครอบครัวพลระเมืองขมิญและแขกจามกับจีนชาติต่างๆจนฉันแต่พระสงฆ์สามมณีนก็กวาดต้อนเทเมืองมาถึงค่ายกระพงหลวงพักอยู่ที่ค่ายกระพงหลวงหกคืนเพราะครัวป่วยไข้เมื่อยลาครั้นเมื่ออพยพครอบครัวเมืองพนมเปนมานั้น พระยาอาภัยภูเดชขมินข้าหลวงได้เห็นช้างพรายสีประหลาดเชือกหนึ่งอยู่ในเมืองพนมเปญซึ่งราษฎรขมินไปคล้องมาได้แต่ป่านำมาไว้ในเมืองห้าเดือนแล้วได้ฝึกขัดเชื่องราบใช้การงานได้บ้างช้างนั้นสีตัวแลขนหางขนทั่วสันพางเหมือนสีหม้อทองแดงจากขุขาวเจือเหลืองอ่อนเป็นช้างตระกูลสีประหลาด พระยาอภัยภูเบศขมินจึงให้พระสุริยะโยธาขมินกับหลวงลิทธามาศข่าหลวงในพระราชวังบวรคุ้มไพรพลไทยสามสิบคนนำช้างสีประหลาดมาให้เจ้าพระยาบรินเดชาดูที่เมืองเชิงกชุมฝ่ายเจ้าพระยาบรินเดชาเห็นว่าเป็นช้างสีประหลาดต้องอย่างงามดีนักจะพักไว้ที่เมืองขมินไม่ได้กลัวขมิญจะลักพาไปให้ยวนเสีย จึงแต่งหนังสือบอกฉบับหนึ่งแล้วสั่งหลวงจตุรงโยธีข้าหลวงในพระราชวังหลวงกับหลวงฤทิ ธ, ธรามาตตหลวงรักษาเสนาสองนายเป็นข้าหลวงในพระราชวังบวรสองหลวงบรรเทาทุกขราชเมืองสระบุรีหนึ่งหลวงนาเมืองนคร น, นายกหนึ่งพระสุริยะโยธาขเขมรหนึ่งพระพิทัก์บดินทรขเขมรหนึ่งเป็นนายทัพคุมไพร์พลไทยหนึ่งร้อยคน นำช้างสีประหลาดเดินบกไปลงทางเมืองนคร น, นายกแล้วให้ตัดทางไปลงเมืองสระ บ, บุรีให้พักช้างนี้ที่ตะบลบ่อพงแขวงกรุงเก่าครั้งนั้นไม่ไว้ใจแก่ราชการกลัวจะเป็นเหตุกลางทางเพราะขมินกำลังกำเริบจะกลับใจไปพึ่งยวนกลัวขมินจะแต่งกองทัพมาแย่งชิงพาช้างไปให้ยวนจึงสั่งให้พระยาชัยวิชิตสิทธิศาตรา ผู้รักษากรุงเก่าคุมไพร่พลร้อยห้าสิบลงไปตามช่วยรักษาช้างสําคัญไปให้ถึงกรุงเทพอีกกองหนึ่งข้าหลวงนําช้างมาถึงบ่อโพรงแล้วพระยาศีสหเทพ น, นําหนังสือบอกเรื่องช้างสีประหลาดขึ้นกลาบบังคมทูลพระกรุณาจึงโปรดกล่าวให้รับช้างสีปราดลงมากรุงเทพแล้วโปรดให้ตั้งพระราชพิธีพราหมณ์มีการมโหรสพสมโพธิสามวัน แล้วขึ้นระวางพระราชทธานนามก่อนว่าพระยาทองแดงพนมเปนแล้วพระราชทธานผ่านหมากทองคำขนโททองคำออกไปให้พระยาอาภัยภูเบศขมรด้วยฝ่ายในทัพในกองไทยกว่าต้อนพาขมรเมืองพนมเปญมาพักอยู่ที่ค่ายกระพงหลวงแล้วหกวันครั้งนั้นครัวขมรแขกจามและจีน ร่วมคิดกันเป็นการขบฏกำเริบขึ้นทำจราจลยกพวกเข้าต่อสู้รบกับกองทัพไทยพวกครัวพร้อมใจกันแข็งแรงจึงต่อสู้รบพาครอบครัวพวกพ้องของตนหนีกับไปเมืองเขมีได้บ้างเพราะพวกครัวเขมนและแขกจามกับพวกจีนมีเครื่องอาวุธทุกคนจึงต่อสู้แข็งแรงพากันหนีไปได้บ้างครั้งนั้นพระยามหาอมาแม่ทัพป่วยมากจัดการไม่ได้จึงให พระยาราชสุรเโยธาข้าหลวงในกองทัพนั้นเป็นแม่ทัพใหญ่ได้บังคับการติดขาดพระยาราชสุรเโยธาไม่สู้ฉลาดรอบคอบในการศึกสงครามจึงไม่ได้ใช้ให้นายทัพนายกองไทยไปเก็บรวบรวมอาวุธของสำหรับครอบครัวมาไว้ปล่อยให้พวกครัวมีอาวุธติดตัวอยู่ครบมือทุกคนพวกครัวจึงได้ต่อสู้โดยแข็งแรงหนีไปได้บ้างขณะนั้น พระพมพบริรักษ์จัดกองทัพไทยไปต่อสู้ตีพาครัวขมิและแขกจามกับจีนคืนมาได้พันสองร้อยสี่สิบสองคนแต่ครัวที่หนีไปได้นั้นสองพันเศษหมายเหตุเดชะพระบา ร, รมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมีมากอยู่จึงขุมชีวิตพระยาหลวงนายทัพนายกองที่คุมครัวขมรมานั้นหาตายไม่ถ้าหากว่า พวกครัวขมรแขกจามและจีนเมืองพนมเปนที่ไทยกว่าต้อนมาคราวนั้นเกือบสี่พันคนถ้าจะคิดค่าพระยาพระหลวงนายทัพนายกองไทยที่คุมมานั้นเสียก่อนจึงหนีไปเหมือนเช่นพวกครัวเมืองนครราชสีมาที่เจ้าอนุเวียงจันทร์กวาต้อนไปถึงท้องทุ่งสบริตนั้นพวกครัวเมืองนครราชสีมาก็เกิดการลุกขึ้นฆ่านายทัพนายกองลาวที่คุมครัวไปนั้นตายมาก จึงหนีกลับมาเมืองนครราชสีมารา้ถ้าคราวนี้พวกครัวขมิเมืองพนมเปญคิดทําเหมือนครัวเมืองนครราชสีมานั้นแล้วพระยามหาอามาตพระยาราชสุรโยธาพระพรมบริรักษ์หลวงราชเสนานักองค์อิ่มนักองค์ล่วงพระยาอาภัยภูเบศขมรและพระยาพระหลวงนายทัพนายกองไทยเหล่านั้นก็คงจะตายหมด ไปหาตายไม่นั้นเพราะบารมีเผอิญโดนใจให้พวกครัวเมืองพนมเปนคิดแต่จะหนีอย่างเดียวเท่านั้นจึงได้เห็นความอัศจรรย์ประจักษ์พระบารมีอภิธิหารเป็นการพิสดารโดยเที่ยงแท้จบหมายเหตุครันนายทัพนายกองไทยไล่ต้อนครัวที่ตามกลับคืนมาได้ให้เดินครัวมาถึงเมืองโปริศาสตร์แล้วจึงแต่งหนังสือบอก ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นกลางทางให้หลวงพักดีชุมพลถือไปกราบเรียนเจ้าพระยาบดินเดชาเจ้าพระยาบดินเดชามีหนังสือตอบมาว่าได้ให้พระอัครเนตรหนึ่งพระสนทรพักดีหนึ่งหลวงนารารณรงค์หนึ่งหลวงไกรนารายหนึ่งพระยกระบาดเมืองกำแพงเพชรหนึ่งพระมหาไทยเมืองตากหนึ่งเป็นข้าหลวงหกนาย ขุมไพร่พลไทยมีเครื่องศาสตราวุธครบมือกันห้าร้อยคนขุมครัวขมรนและแขกจามจากับจีนขมนหนึ่งพันสองร้อยสี่สิสองคนเดินไปส่งยังกรุงเทพครันครัวถึงกรุงเทพแล้วแต่ณนะเดือนเจ็ดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ครัวขมรนไปตั้งบ้านเรือนอยู่ณนะที่บางกุ้งแขวงเมืองราชบุรีโปรดให้ ครัวจีนขมิญไปตั้งบ้านเรือนอยู่ณที่แขวงเมืองนครชัยศรีโปรดให้ครัวแขกจามขมิญไปตั้งบ้านเรือนอยู่ณที่ในคลองบางกะปิแขวงกรุงเทพคือที่บ้านแขกครัวริมสะปะทุมวันทุกวันนี้แล้วโปรดเกล่าวให้กรมพระสุรัตสวัสดีสักท้องมือชายชะกันพวกครัวขมินและแขกจามและแขกจีนขมินทั้งสามพวกนั้นว่า ไพรหลวงรักษาเรือรบครั้นนานมาภายหลังพวกบุตรหลานครัวทั้งสามพวกนั้นก็กลายเป็นไพรหลวงกลุมต่างๆไปที่ทําราชการก็ดีมีบรรดาศักดิ์เป็นขุนนางก็มีบ้างแต่พวกจีนขเขมรเมืองนครชัยศรีนั้นบุตรหลานก็กลายเป็นจีนผูกปี้ไปหมดแต่ยังพูดภาษาขเขมรได้ต่อมาฝ่ายพระยาราชาสุรโยธาพระพรมบริลักษ์ และพระยาอภัยภูเบศขมิญหลวงราชเสนานายทัพนายกองซึ่งถอยทัพมาตั้งอยู่ที่เมืองโปริษาบครั้งนั้นพวกขมิญบ้านเล็กบ้านน้อยคบคิดกันเป็นผู้ร้ายตั้งกองซ่องสุมพวกเป็นโจรกรรมคอยด้อมมองแอบ ร, รอบค่ากองทัพไทยที่ไปเที่ยวหาอาหารกินตามป่าเขาและทุ่งนาที่ใดๆพวกขมิเหล่าร้ายฆ่าไทยตายหนึ่งเนืองพระยาราชชุระโยธา ทราบการดังนั้นแล้วจึงแต่งกองทัพไทยไปซุ่มซ่อนคอยจับพวกขมิซึ่งเคยมาทําร้ายข้าไทยนั้นจับมาได้หลายตําบลเป็นขมรญเจ็ดสิบสี่คนสั่งให้ทหารตัดมือบ้างตัดแขนบ้างตัดถูทั้งสองข้างและเจาะในตาเสียข้างหนึ่งบ้างและตัดจมูกตัดปากเจาะแก้มบ้างตัดริ้บ้างพาปากบ้างเชือดเนื้อตามแขนขาแบ่งออกบ้าง ปล่อยให้กลับไปบ้านแต่ทำดังนี้ครั้งหนึ่งสามสิบหกคนครั้งหนึ่งหกสิบสองคนอีกครั้งหนึ่งจับได้มาร้อยเศษให้ตัดแขนเสียข้างหนึ่งบ้างตัดมือทั้งสองข้างบ้างให้ปล่อยไปบ้านสี่สิบสองคนเหลือนั้นเป็นคนลงมือฆ่าไทยให้สช้างแทงตายบ้างมัดมือถ่วงน้ำตายบ้างจับขมตมาทำโทษ ด, ดังนี้อยู่เดือนหนึ่งจนพวกขมรเหล่าร้าย เข็ดลาบไม่อาจสามารถมาทำร้ายแก่ไทยในกองทัพก็พากันไปขุดกรอยเผือกมันหากินในป่าได้ไกลๆไม่มีอันตรายกองทัพไทยค่อยมีความสบายมากฝ่ายเจ้าพระยาบรินเดชาทราบว่าที่เมืองโปริสาบนั้นเกิดการจลาจลขึ้นคือพวกขมรในแขวงจังหวัดเมืองโปริสาตั้งซ่องสมเป็นผู้ราา้ายลอบมาฆ่ากองทัพไทยตายหนึ่งเงืองเจ้าพระยาบรินเดชา จึงสั่งพระยาพิสุโรกและพระยามหาธิราชขมิญเจ้าเมืองเชิงกระชุมให้กวาดต้อนครอบครัวตามไปเมืองโปริศาสให้สิ้นเชิงแล้วเจ้าพระยาบรินเดชาจึงถอยทัพกลับมาเมืองเชิงกระชุมเดินทัพมาพักอยู่ที่เมืองโปริศาสขณะนั้นฝ่ายพระยาราชสุรโยธาพระพรมบริลักษ์หลวงราชาเสนาพระยาอภัยภูเบศ พร้อมกันมาแจ้งข้อรัชการให้เจ้าพระยาบรินเดชาฟังทุกประการพอรุ่งขึ้นอีกสี่วันพระยาพิณุโลกและพระยามหาเทราชขมินเจ้าเมืองเชิงกระทุ่มกว่าต้อนครอบครัวขมินเมืองเชิงกระทุ่ม 2,669 คนตามมาส่งเจ้าพระยาบรินเดชาที่เมืองเชิงกระทุ่มแล้วพระยาขมิญทั้งสองกราบเรียนว่าช้างพลายสีปราศ อันประเสริฐ ด, ดุดดังช้างเผือกเป็นช้างของนักองค์จันทร์เจ้ากรุงกัมพูชาเลี้ยงไว้เป็นสีบ้านสีเมืองมาช้านานแล้วแต่ก่อนนั้นเจ้านายขุนนางฝ่ายเขมนินทูลเตือนนักองคจันทร์ว่าให้นําช้างตัวประเสริฐนั้นให้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวกรุงเทพนักองค์จันทร์ก็ไม่ถวายเลี้ยงไว้ในเมืองพนมเปญ ครั้นเมื่อนักองค์จันทร์จะหนีไทยไปเมืองยวนนั้นเดิมนักองค์จันทร์คิดปรึกษาขุนนางว่าจะนําช้างตัวประเสริฐนี้ไปด้วยจะได้พาไปถวายพระเจ้าเวียดนามทําเป็นของกำนันแก่ยวนยวนคงจะชอบใจแล้วนักองค์จันทร์กลับใจคิดว่าจะเป็นห่วงโรงรังนั ก, กลําบากกลัวจะหนีไทยไปไม่ค้นเพราะฉะนั้นนักองค์จันทร์จึงสั่งให้หมอครวน นำช้างตัวประเสริฐนั้นไปปล่อยเสียที่ในป่าหลังเมืองพนมเปนแล้วก็ยกหนีไปเมืองยวนเจ้าพระยาบดินเดชาได้ทราบดังนั้นแล้วจึงเขียนหนังสือประกาศบนพวกขมรให้ไปตามจับช้างนั้นมาให้ได้แล้วจะให้เงินรางวัลห้าร้อยทบพวกขมิครววช้างไปเที่ยวค้นหาในป่าก็จับช้างสีประหลาดตัวนั้นมาให้เจ้าพระยาบดินเดชาเจ้าพระยาบดินเดชาสั่งให้ หลวงชจักษ์ให้พาช้างนั้นไปพักไว้ที่เมืองพระตะบองก่อนแล้วจึงจะส่งไปกรุงเทพช้างสีประหลาดประเสริฐนั้นสีตัวแดงก่าแดงเข้มเหมือนสีก้านดอกบัวสัตบุตรจักขุและเล็บเท้าและขนหางและขนตามตัวขาวบริสุทธิ์เหมือนช้างเผือกอันทะโกดขาวด้วยเพดานขาวเป็นอย่างเอกไอ้เปิงขมินชาวป่าดงอยู่บ้านเงียบหลังเมืองพนมเปน ไอเปิงเป็นผู้จับช้างสีประหลาดตัวนี้มาให้เจ้าพระยาบดินเดชาเจ้าพระยาบดินเดชาจึงให้เงินเป็นรางวัลห้าร้อยเทปและเสื้อผ้าสิ่งของอีกมากราคาสักสามช่างเศษแล้วให้ราภูมิคุ้มห้ามไม่ต้องถูกการเกณฑ์สวยสาอากอนและไม่ต้องรับเกณฑ์เข้ากองทัพต่อไปจนตายปล่อยให้ไปอยู่ตามภูมิลาเนาเดิม อานามสยามยุทธภาคที่สองตอนที่สิบหกเขมรก่อจลาจลแหวงกับไทยกำลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะโปรดติดตามตอนต่อไป